วันนี้ขออนุญาตเล่านิทานเกี่ยวกับเรื่องผีหน่อยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดหน่อยครับขอยกเอานิทานเซนมาเล่าให้ฟังสักหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศจีนเมื่อนานมาแล้วครับมีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งรักกันมากรักกันจนไปที่อิจฉาของชาวบ้านหรือเพื่อนบ้านที่อยู่ภายในระแวกเดียวกันอยู่กันมาด้วยกันหลายปีดีดับ ไม่มีคำว่าจะเบื่อจากกันเลยแต่แล้วโชคชะตาก็ได้พลิกผันชะตาชีวิตของครอบครัวนี้นั่นก็คือภรรยาของเขาอยู่ๆก็เกิดอาการป่วยกระทันหันล้มหมอนนอนเสือ่อไม่สามารถจะลุกขึ้นมาช่วยงานสามีได้เหมือนเช่นเคยได้แต่อยู่ในการดูแลของสามีเป็นที่รักเหมือนว่าจะไม่รอด ซึ่งก็เป็นตันนั้นครับเพราะว่าตัวของผู้ป่วยเองก็รู้สึกได้ว่าตัวเองจะไม่รอดหลังจากที่นอนสมมาเป็นแรมเดือนเย็นวันหนึ่งภรรยาก็บอกกับสามีว่าที่รักสงสัยฉันคงจะต้องลาเธอไปก่อนแล้วแหละฉันรักเธอมากฉันรักเธอเหลือเกินฉันไม่อยากจะจากเธอไปไหนเลยสามีได้ฟังก็บอกว่า ที่รักผมก็ไม่อยากจะจากคุณเลยสามีกล่าวไปก็น้ำตาไหลไปด้วยตัวเขาเองก็รักภรรยาเขามากเหลือเกินภรรยาเขาก็กล่าวอีกว่าที่รักจำไว้นะถึงแม้ฉันจะตายไปฉันก็จะเป็นวิญญาณคอยอยู่เคียงข้างเธอตลอดเสมอฉันจะไม่เธอเหงาเลยเธอต้องสัญญากับฉันนะ ว่าเธอจะไม่มีรักใหม่ียต้องมีฉันคนเดียวจนวันตายแล้วเราจะได้พบกันอีกครั้งได้ไหมสามีได้ฟังก็บอกว่าอที่รักอย่าว่าแต่สัญญาแค่นั้นเลยฉันทำให้เธอได้หมดแหละฉันสัญญาว่าฉันจะไม่มีใครอีกเลยนอกจากเธอจริงๆนะภรรยาบอกถ้าหากว่าเธอมีใครใหม่จําคาฉันไว้นะฉันจะเป็นผีกลับมาหลอกเธอ เธออยู่ไม่สุขเลยแหละว่าแล้วไม่นานภรรยาก็สิ้นใจในอ้อมกอดของสามีนั่นเองหนึ่งเดือนผ่านไปชายผู้ซื่อสัตย์ก็ยังคงรักษาสัญญาได้ให้ไวกับภรรยาเหมือนเดิมไม่มีเสื่อมคลายสองเดือนผ่านไปเขาก็ใช้ชีวิตแบบเป็นหนุ่มโสดพ่อไม้โดยไม่แยแสหญิงใดๆที่เข้ามาในชีวิตเลยจนกระทั่งเดือนที่สาม ประเทศมาแผลงฤทธิ์แผลงสอนปากอกเขาให้หลงรักผู้หญิงอีกคนหนึ่งเรื่องวุ่นวุ่นมันคงกำลังจะเกิดแล้วสิครับเขาจึงตกลงปรงใจมีภรรยาใหม่ในเดือนที่สามนั่นเองคืนแรกของการแต่งงานในการเข้าเรือนหอคืนนั้นเขานอนไม่ค่อยหลับรู้สึกกระสับกระส่ายพิกล จนสุดท้ายเคลิ้มเลมจะหลับเขาก็เห็นเงาเงาหนึ่งยืนอยู่ตรงปลายเตียงเขาเขาก็เดินมองแต่ไม่สามารถจะลืมตาได้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาดื่มเหล้าฉลองไปมากหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าง่วงนอนทับเส้นหรือเปล่าไม่รู้เงานั้นค่อยค่อคืบคลานเข้ามาคลานเข้ามาจนเห็นเด่นชัดว่ามันคือหน้าของภรรยาเขานี่เองเขาตกใจสุดขีด คุมปงูงแล้วก็ร้องบวยวายลั่นจนเจ้าสาวต้องมาปลุกว่าเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะท่านพี่เฮีนอนดิ้นละเกินแหมแรงเยอะนะคะเข้าเรือนหอเนี่ยเขาก็ได้แทบเงียบไม่ปิด ป, ปากบอกกับภรรยาใหม่ของเขาเด็ดขาดเนื่งด้วยเขากลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีใครนอนเป็นเพื่อนเขานี่เองคืนนั้นทั้งคืนเขาก็แทบไม่ได้หลับเลย พระทุกครั ел, ้งที่หลับตาเขาก็จะเห็นแต่หน้าภรรยาเขาได้ยินแต่เสียงของภรรยาเก่าของเขามาอยู่ข้างๆหูมาหลอกหลอนเขาทำให้ตอนเช้าอีกวันหนึ่งเขาดูโสมมากเหตุการณ์ไม่ได้ผ่านไปแค่คืนนั้นแค่คืนเดียวทุกคืนต่อมาเขาก็มักจะเห็นผีภรรยาเขามาหลอกมาหลอนเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ว่าจะเข้าห้องน้าอาบน้าทุกครั้งที่อยู่คนเดียวเขาจะพบกับผีภรรยาเขา ถึงขั้นว่าคุยกันสนทนากันได้เลยเขากลัวผีภรยาเขามากไม่ว่าเขาจะทำอะไรจะคิดอะไรผีภรยาเขารู้ไปหมดว่าเขาคิดอะไรไปทาอะไรมาไปซื้ออะไรมาไปซื้ออะไรมาให้กับภรรยาใหม่บ้างเขาสู้ผอมมากจนเพื่อนบ้านหรือญาติญาติต่างสังเกตเห็นจึงเข้ามาสอบถามให้คลายสงสัยตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะทนได้ก็เลยต้อง จำใจเล่าให้เพื่อนบ้านกับญาติฟังเมื่อญาติได้ฟังดังนั้นก็คิดหาทางช่วยกันแก้ไขหลังจากปรึกษากันพักใหญ่ก็มีคนหัวดีคิดออกมาว่าโอ้พี่ถ้าเรื่องผีอะนะต้องไปให้พระช่วยสิเราก็ไปวัดสิวัดอยู่ใกล้ๆนี่ไงพาไปหาหลวงพ่อดีกว่าเดี๋ยวหลวงพ่ออาจจะช่วยได้เออ ชาวบ้านทุกคนก็เห็นดีด้วยก็เลยพากันไปหาหลวงพ่อเมื่อเข้าไปในวัดปุ๊บชายคนนั้นก็ยังไม่สึกว่าเขาปลอดภัยนักเพราะบรรยากาศในวัดก็วังเวงอยู่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรละถ้าหากมันจะทำให้เขาพ้นจากพีของเมียเก่าเขาได้ก็เลยขึ้นไปนมัส ก, การหลวงพ่อที่อยู่ข้างบนเมื่อหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็ถามว่า เออมีอะไรกันรึอา่าโยมทั้งหลายถึงได้มาหาตมาได้ชาวบ้านก็เลยเล่าให้หลวงพ่อรูปนั้นฟังอย่างละเอียดตามที่ชายคนนั้นเล่าให้พวกเขาฟังเช่นกันเมื่อหลวงพ่อได้ฟังก็ได้แต่ทำเสียงเอออืมเหรออืม อ, อ, อ, อ, อย่างนั้นเลยรึเมื่อชาวบ้านเล่าจบ ในจิตใจของหลวงพ่อนั้นเองท่านก็คิดอะไรออกอยู่อย่างหนึง่งแต่ครั้นท่านจะบอกว่าผีไม่มีหรอกก็ไม่ใช่เพราะว่าในหัวของเขาคนนั้นก็เชื่ออยู่แล้วว่ามีผีของภรรยามหาและถึงขั้นว่าสนทนากันได้เลยจึงเป็นการยากที่จะบอกเขาว่าผีไม่มีหรอกเขาคงไม่เชื่อแน่แน เมื่อคิดได้อย่างนั้นหลวงพ่อจึงเรียกเขาไปใกล้ๆมานี่มานี่เดี๋ยวอัตมาจะบอกวิธีแก้ผีของเมียโยมให้ฟังนะโอ้ขอบคุณครับหลวงพ่อด้วยโปรดช่วยผมด้วยครับเอาเป็นว่าคืนเนี่ยถ้าหากโยมกลับไปอะโยมแวะซื้อถั่วเหลืองหน่อยนะ สักกิโลหนึ่งและคืนเนี่ยถ้าหากว่าโยมเนี่ยเจอกับผีเมียของโยมอีกโยมอ่ะเอาถั่วเหลืองอ่ะมากำไว้ในมือและก็ถามผีเมียของโยมอ่ะที่ว่ารู้ทุกเรื่องที่โยมคิดที่โยมทำเนี่ยถามเขาว่าในมือของโยมอ่ะมีถั่วอยู่กี่เม็ดและวิธีนี่แหละ จะช่วยเฮโยมหาให้กลัวผีผีจะไม่มายุ่งกับโยมอีกเลยเข้าใจนะโอ้มันจะจริงเหรอครับหลวงพ่อแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมก็ขอบพระคุณมากครับเมื่อได้วิธีจากหลวงพ่อเสร็จพวกเขาก็ลากันกลับบ้านแยกย้าย ก, กันไปตกดึกคืนนั้นมาอีกแล้วครับผีของภรรยาเขาโผล่มาอีกแล้ว เขาก็กลัวมากเขาเลยถามว่าทําไมอ่ะทำไมเธอต้องมาคอยหลอกฉันน่ะก็เธอสัญญากับฉันแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะไม่มีเมียใหม่ฉันก็จะมาหลอกเธอนี่แหละวันนี้เธอไปวัดมาฉันก็รู้โอ้โหเธอได้รู้ทุกเรื่องจริงๆเลยจังหวะนั้นเองเขาก็คิดถึงคําที่หลวงพ่อบอกไว้เขาจึงเอามือเขารวงลงไปในถุงของเมล็ดถั่วเหลือง กำไว้นี่แหละหลวงพ่อแนะนําฉันมาว่าถ้าฉันทำนี้แล้วเธอจะเบื่อยุ่งกับฉันอีกอะไรล่ะลองดูสิคิดหรือว่าจะไล่ฉันไปได้งั้นเธอตอบฉันไปทีว่าถัวในมือฉันเนี่ยมันมีกี่เม็ดเงียบทุกอย่างเหมือนเวลาหยุดนิ่งไม่มีคําตอบจากผีเมียเขา มีแต่แสงสว่างที่เกิดขึ้นภายในหัวเขาภาพของผีเมียเขาค่อยๆจางหายไปและบังเกิดความรู้ใหม่ขึ้นมากับตัวเขาเองว่าโอ้โอเหตุใดผีเมียเขาถึงไม่สามารถรู้ว่ามีถั่วยูกีเม็ดเพราะว่าตัวเขาเองยังไม่เคยนับนี่เองแต่ทุกสิ่งที่ผีเมียเขารู้ ล้วนเป็นสิ่งที่เขารู้เขาเห็นเขาเคยจับเขาสัมผัสเขารู้ด้วยจิตด้วยการกระทําของเขาแต่ถั่วที่อยู่ในมือเขาคือถั่วที่เขายังไม่เคยนับว่ามันมีกี่เม็ดอยู่ในอุ้มมือเขานี้แค่นี้เขาก็คิดได้เลยว่าผีที่ตามหลอกหลอนเขาอยู่นั้นก็คือผีที่อยู่ในจิตใจเขานี่เองความละอายต่อบาปที่ตนเองต้องผิดสัญญากับภรรยาเกา่าจึงนามาให้เกิดเป็นผี ขึ้นมาคอยหลอกร้อนเนี่ยนะครับคนเราต้องอยู่กับสติให้มากๆอย่ายึดติดอยู่กับอดีตที่ผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้จงอยู่กับปัจจุบันและทำมันให้ดีกว่าที่ผ่านมาสวัสดีครับ